โจกะห้สประมาณสะทุกะหนึ่งปฏิจจวาระหนึ่งปัจจญานุโลมหนึ่งวิพังขวาระเหตุปัจจัยหนึ่งสภาวธรรมที่ไม่เป็นปรามาสอาศัยสภาวธรรมที่เป็นปรามาสเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่สัมปยุติขันและจิตตสมุทานรูปอาศัยปรามาสเกิดขึ้น 2. สภาวธรรมที่ไม่เป็นปรามาส อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นปรามาสเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจได้แก่ขันสามและจิตตสมุทานรูปอาศัยขันหนึ่งที่ไม่เป็นปรามาสเกิดขึ้นและถึงอาศัยขันสองในปฏิสนธิขณะพึงเพิ่มข้อความจนถึงอาศัญญสัตพรมและมหาภูตรูปสภาวธรรมที่เป็นปรามาสอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นปรามาสเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจได้แก่ ปารา <PTSD> มาสอาศัยขันที่ไม่เป็นปรามาสเกิดขึ้นสภาวธรรมที่เป็นปรามาสและที่ไม่เป็นปรามาสอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นปรามาสเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันสามปรามาสและจิตตสมุทฐานรูปอาศัยขันหนึ่งที่ไม่เป็นปรามาสเกิดขึ้นและถึงอาศัยขันสองสสภาวธรรมที่ไม่เป็นปรามาสอาศัยสภาวธรรมที่เป็นปรามาสและที่ไม่เป็นปรามาส เกิดขึ้นเพระเหตุปัจจัยได้แก่ขันสามและจิตตสมุทฐานรูปอาศัยขันหนึ่งที่ไม่เป็นปรามาสและอาศัยปรามาสเกิดขึ้นและถึงอาศัยขันสองจิตตสมุทฐานรูปอาศัยปรามาสและมหาภูตรูปเกิดขึ้น 1. นึ่งปัจญานุโลม 2. สังขยาวาระ 4. เหตุปัจจัยมีห้าวาระอารามณปัจจัยมีหาวาระ ทุกปัจจัยมีปัจจัยละหาวาระวิปากะปัจจัยมีหนึ่งวาระและถึงอวิคตปัจจัยมีห้าวาระอนุโลมจบ 2. ป, ปัจจะยปัจญิยะหนึ่งวิพังควาระนะเหตุก ป, ปัจจัยหสภาวธรรมที่ไม่เป็นปรามาตยอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นปรามาตย์เกิดขึ้นเพราะนเหตุก ป, ปัจจัยได้แก่ขันธ์สามและจิตตสมุทฐานรูป อาศัยขันหนึ่งที่ไม่มีเหตุซึ่งไม่เป็นปรามาสเกิดขึ้นและถึงอาศัยขันสองในปฏิสนธิขณะที่เป็นอเหตุตกะพึงเพิ่มข้อความจนถึงอาศัสัญยสัตยพรมโมหะที่สหรโคด้วยวิจิกิจฉาและที่สหรโคด้วยอุทจจะอาศัยขันที่สหรโรโคด้วยวิจิกิจฉาและที่สหรโคด้วยอุทจจะเกิดขึ้นณอรมณปัจใจหก สภาวธรรมที่ไม่เป็นปรามาอาศัย <wen> สภาวธรรมที่เป็นปรามาสเกิดขึ้นเพราะนัอารรมณปัจ <od> จัยได้แก่จิตตสมุทฐานรูปอาศัยปรามาสเกิดขึ้นสภาวธรรมที่ไม่เป็นปรามาอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นปรามาเกิดขึ้นเพราะนอารรมณปัจจัยได้แก่จิตตสมุทฐานรูปอาศัยขันธ์ที่ไม่เป็นปรามาเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะพึงเพิ่มข้อความจนถึงอสัญญาสัตตพรม สภาวะธรรมที่ไม่เป็นปรามาตยอาศัยสภาวะธรรมที่เป็นปรามาตยและที่ไม่เป็นปรามาตยเกิดขึ้นเพราะอารมัตปัจจัยได้แก่จิตตสมุทฐานรูปอาศัยปรามาตยและฉันปยุตตะขันเกิดขึ้น 2. องปัจยปัจจเนยะสสังขยาวาระสุทไนัย 7. นะเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระนะอารมัตปัจจัยมีสามวาระ นอธิปติปัจจัยมีห้าวาระนอนันตร์ปัจจัยมีสามวาระนสมัันตระปัจจัยมีสามวาระนอัญญมัญญปัจจัยมีสามวาระนอุปนิเสยาปัจจัยมีสามวาระนาปุเรชาตะปัจจัยมีห้าวาระนปัจฉาชาตะปัจจัยมีห้าวาระนอเจวณะปัจจัยมีห้าวาระนกรรมะปัจจัยมีสามวาระนวิปากปัจจัยมีห้าวาระ ณอาหารปัจจัยมีหนึ่งวาระณอินทรียปัจจัยมีหนึ่งวาระณชาณปัจจัยมีหนึ่งวาระณมรรคปัจจัยมีหนึ่งวาระณสัมปยุตตปัจจัยมีสามวาระณวิปยุตตปัจจัยมีห้าวาระโนนติปัจจัยมีสามวาระโนวิกตปัจจัยมีสามวาระสปัจจญานุโลมปัจญิยะเหตุทุกขในแปด นาอารมณปัจใจกะเพตุปัจจัยมีสามวาระนาอธิปติปัจจัยมีห้าวาระละถึงนาวิปากปัจจัยมีห้าวาระละถึงนาสัมปยุตตปัจจัยมีสามวาระนาวิปยุตตปัจจัยมีห้าวาระโนนัติปัจจัยมีสามวาระโนวิคตะปัจจัยมีสามวาระ 4. ปัจยะปัจนิยานุโลมนาเหตุทุกนายเก้า อารามณปัจจใจกับนาเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระอนันตระปัจจัยมีหนึ่งวาระทุกปัจจัยมีปัจจัยละหนึ่งวาระพาวิคตาปัจจัยมีหนึ่งวาระสหชาตาวาระเหมือนกับปฏิจจวาระห้าสิบประมาสทุกะสปัจยวาระหนึ่งปัจจญานุโลมหนึ่งวิพังขวาระเหตุปัจใจสิบ สภาวธรรมที่ไม่เป็นปรามาตถ์ทำสภาวธรรมที่เป็นปรามาตถให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่สัมปยุติขันและจิตตาสมุทฐานรูปทำปรามาตถให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นสภาวธรรมที่ไม่เป็นปรามาตถ์ทำสภาวธรรมที่ไม่เป็นปรามาตถให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันสามและจิตตสมุทฐานรูปทำขันหนึ่งที่ไม่เป็นปรามาถให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้น และถึงทำขันสองในปฏิสนธิขณะพึงเพิ่มข้อความจนถึงมหาภูตรูปภายในขันที่ไม่เป็นปรามาตธรรมทัยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นสภาวธรรมที่เป็นปรามาตทำสภาวธรรมที่ไม่เป็นปรามาตให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ปรามาตทำขันที่ไม่เป็นปรามาตให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นปรามาตธรรมทัยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้น สภาวธรรมที่เป็นปรามาตย์ได้ที่ไม่เป็นปรามาตย์รมสภาวธรรมที่ไม่เป็นปรามาตย์ให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์สามปรามาตย์และจิตตสมุทฐานรูปทำขันธ์หนึ่งที่ไม่เป็นปรามาตย์ให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นและถึงทำขันธ์สองปรามาตย์ธรรมทัยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นจิตตสมุทฐานรูปทำมหาภูตรูปให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้น ปรามาสและสัมปัญจจขันธรรไทยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้น 11. สภาวะธรรมที่ไม่เป็นปรามารทำสภาวะธรรมที่เป็นปรามาสและที่ไม่เป็นปรามาสให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันสามและจิตตสมุทฐานรูปทำขันหนึ่งที่ไม่เป็นปรามาสและทำปรามาสให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นละถึงทำขันสองจิตตสมุทฐานรูป ทำปรามาและสัมพยุตขันให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นจิตตสมุทฐานรูปทำปรามาได้มหาภูธรูปให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นขันที่ไม่เป็นปรามาทำปรามาและหาไทยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นยอ่อหนึ่งปัจญานุโลมสองสังขยาวาระ12เหตุ ป, ปัจจัยมีห้าวาระอารมณปัจจัยมีห้าวาระ มัธิปฏิปัจจัยมีห้าวาระทุกปัจัยมีปัจจใยละห้าวาระวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีห้าวาระ 2. ปัจยะปัจจนิยะหนึ่งวิพังขวาระนเหตุปัจจัย 13. สภาวธรรมที่ไม่เป็นปรามาตทำสภาวธรรมที่ไม่เป็นปรามาสให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะนเหตุปัจัจได้แก่ ขันสามและจิตตสมุทฐานรูปทำขันหนึ่งที่ไม่มีเหตุซึ่งไม่เป็นปรามาสให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นละถึงทำขันสองในปฏิสนธิขณะที่เป็นในเหตุุกะพึงเพิ่มข้อความจชนถึงอาศนญสสัตตพรมจักกุบวิญญาณทำจักขายจตนะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นกายวิญญาณทำกายายะตนาให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นขันที่ไม่มีเหตุซึ่งไม่เป็นปรามาส ทำหะไทยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นโมหะที่สหรักโทษด้วยวิจิกิจฉาและที่สหรักโทษด้วยอุทจจะทำขันที่สห์รักโทด้วยวิจิกิจฉาและที่สหรักโทษด้วยอุทจจะและธรรมไทยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้น 2. ปัญญาปัจญะยองสังคยาวาระสุทไนสิบสนเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระนอารรมณะปัจจัยมีสวาระ หน้าที่ปฏิปัจจัยมีห้าวาระณอนันตระปัจจัยมีสมวาระละถึงหนอุปาเนสียปัจจัยมีสมวาระหน้ปุเรชาตปัจจัยมีหวาระหนปัจฉาชาตปัจจัยมีห้าวาระณน้าอาศวณปัจจัยมีห้าวาระหนกรมมปัจจัยมีสมวาระหนวิปากปัจจัยมีหวาระณอาหารปัจจัยมีหนึ่งวาระณอินทรียปัจจัยมีหนึ่งวาระ นาาณปัจจัยมีหนึ่งวาระนมะฆาปัจจัยมีหนึ่งวาระนสัมปยุตตปัจจัยมีหนึ่งวาระนวิปยุตตปัจจัยมีหวาระโนนัติปัจจัยมีสวาระโนวิคตะปัจจัยมีสวาระ 3. ปัจจญานุโลมปัจญิยะ 15. บอานาอรมณะปัจจัยกะเพะตุปัจจัยมีสวาระนอธิปติปัจจัยมีหวาระ ทุกปัจจใจพึงเพิ่มอย่างนี้สปัญญาปัจจญญานุโลมสิบหกอารมณะปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีหนึ่งวาระนิสยวาระเหมือนกับปัจญาวาระห้าสิบประมาณสทุกะหสังสัถวาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นปรามาตยเกิดรกรกับสภาวธรรมที่เป็นปรามาต เพราะเหตุปัจจัยได้แก่สัมปยุทธตะขันเกิดรกักปรามาเพิ่งเพิ่มเป็นห้าวาระอย่างนี้เฉพาะในอรูปราวจรภูมิสังสัทธวาระและสัมปยุญตวาระเพิ่งเพิ่มไว้อย่างนี้ ทุกะเจ็ดปัญหาวาระหนึ่งปัจจญานุโลมหนึ่งวิพังขวาระเหตุปัจจัยสิบเจ็ดสภาวธรรมที่ไม่เป็นปรามาตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นปรามาตโดยเหตุปัจจัยได้แก่เหตุที่ไม่เป็นปรามาตเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันและจิตตสมุทานรูปโดยเหตุปัจจัยในปฏิสนทิขณะสภาวธรรมที่ไม่เป็นปรามาต เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นปรามาดโดยเหตุุปัจจัยได้แก่เหตุที่ไม่เป็นปรามาดเป็นปัจจัยแก่ปรามาดโดยเหตุุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นปรามาดเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นปรามาดและที่ไม่เป็นปรามาดโดยเหตุปัจจัยได้แก่เหตุที่ไม่เป็นปรามาดเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตขันปรามาดและจิตตสโมทานรูปโดยเหตุปัจจัยอารมณปัจจัย สิสภาวธรรมที่เป็นปรามาตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นปรามาตโดยอารมณปัจจัยได้แก่เพราะปรารบปรามาตปรามาจึงเกิดขึ้นเพึงเพิ่มบทที่เป็นมูลเพราะปรารบปรามาตขันที่ไม่เป็นปรามาจึงเกิดขึ้นเพึงเพิ่มบทที่เป็นมูลเพราะปรารบปรามาตปรามาและสัมบัติขันจึงเกิดขึ้น 19. สภาวธรรมที่ไม่เป็นปรามาต เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นปรามาดโดยระมณะปัจจัยได้แก่บุคคลให้ทานสมาทานศีลรักษาอุโบสถแล้วพิจารณาคุศล น, นั้นยินดีเพลิดเพลินเพราะปรารบ ค, ความยินดีเพลิดเพลินคุล น, นั้นราคะวิจิกิจฉาอุทจจะโทมณัตจึงเกิดขึ้นบุคคลพิจารณากุศลที่เคยสั่งสมไว้ดีแล้วออกจากฌานแล้วพิจารณาฌาน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 เป็นปัจจัยแก่วิญญาณัญญายตนะอากินจัญ ญ, ญ, ญายตนะเป็นปัจจัยแก่เนวสัญญานาสัญ ญ, ญายตนะรูปายตนะเป็นปัจจัยแก่จักขวิญญาณโพธพายตนะเป็นปัจจัยแก่กายวิญญาณขันธ์ที่ไม่เป็นปรามาจเป็นปัจจัยแก่อิทธิวิทยานเจโตปริยญาณปุเพนิวาสานุสติญาณยะถาคามูปักขยานพนาคตังสยานและอวัชนะจิต โดยอารหมณปัจจัยสภาวะธรรมที่ไม่เป็นปรามาตเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่เป็นปรามาตโดยอรหมณปัจจัยได้แก่บุคคลให้ทานสมาทานศีลรักษาอุโบสถละถึงยินดีเพืิดเพลินกุศล น, นั้นเพราะปราลบความยินดีเพืิดเพลินกุศล น, นั้นทิฏฐิจึงเกิดขึ้นบุคคลยินดีเพืิดเพลินกุศลที่เคยสั่งสมไว้ดีแล้วออกจากฌานละถึง ยินดีเพลเพลินจากสุหาไทยวัตถุและขันที่ไม่เป็นปรามาตเพราะปรารบความยินดีเพลเพลินจากสุเป็นต้นนั้นทิฐิจึงเกิดขึ้นสภาวะธรรมที่ไม่เป็นปรามาตเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่เป็นปรามาตและที่ไม่เป็นปรามาตโดยระมณปัจจัยได้แก่บุคคลให้ทานสมาทานศีลรักษาอุโบสถและถึงยินดีเพลเพลินกุศลนั้นเพราะปรารบความยินดีเพลเพลินกุศลนั้น ปรามาและสัมยุติขันจึงเกิดขึ้นบุคคลยินดีเพลเพลินขุสลที่เคยสั่งสมไว้ดีแล้วออกจากฌานละถึงยินดีเพลเพลินจากสุหาไทยวัตถุและขันที่ไม่เป็นปรามาเพราะปรารคความยินดีเพลิเพลินจากสุขเป็นต้นนั้นปรามาและสัมยุติขันจึงเกิดขึ้นยี่สิบสภาวธรรมที่เป็นปรามาและที่ไม่เป็นปรามาเป็นปัจเจก่สภาวธรรมที่เป็นปรามา โดยอรมณปัจจัยได้แก่เพราะปราลบารมาและสัมยุญตขันปรามาจึงเกิดขึ้นมีสามวาระอธิปติปัจจัย21สภาวธรรมที่เป็นปรามาเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นปรามาโดยอธิปติปัจจัยได้แก่เพราะทำปรามาให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นปรามาจึงเกิดขึ้นมีสามวาระพึงเพิ่มเฉพาะอารมณ์อธิปติปัจจัย 22. สภาวธรรมที่ไม่เป็นปรามาตเป็นปจัจจัยแส่สภาวธรรมที่ไม่เป็นปรามาตโดยทีิปติปัจจัยมีสองอย่างคืออารมณนาธิปติและจหชาตาธิปติอารมณนาทิปติได้แก่บุคคลให้ทานสมาทานศีงรักษาอุโบสถพิจารณากุศล น, นั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นยินดีเพลิดเพลินเพราะทำความยินดีเพลิดเพลินกุศล น, นั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่น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 และขันที่ไม่เป็นปรามาสให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นเพราะทําความยินดีเพลิดเพลินจากสุขเป็นต้นนั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นราคะจึงเกิดขึ้นศาาตาธิปติได้แก่อธิปฎีธรรมที่ไม่เป็นปรามาสเป็นปัจจัยแก่สัมปยุจจะขัน์และจิตตาสมุทฐานรูปโดยทิปติปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นปรามาสเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นปรามาสโดยอธิปติปัจจัยมีสองอย่าง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 ทิฏจึงเกิดขึ้นชาชาตาธิปติได้แก่อธิปดีธรรมที่ไม่เป็นปรามาตยเป็นปัจจัยแก่ปรามาตโดยธิปติปัจจัยสภาวะธรรมที่ไม่เป็นปรามาตยเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่เป็นปรามาตยและที่ไม่เป็นปรามาตยโดยธิปติปัจจัยมีสองอย่างคืออารมนาธิปติและชาชะตาธิปติอารมนาธิปติได้แก่บุคคลให้ทานสมาทานศีลรักษาอุโบสถ พิจารณากุศลที่เคยสั่งสมไว้ดีแล้วออกจากฌานละถึงยินดีเพลิดเพลินจากสุหาชัยวัตถุและขันธ์ที่ไม่เป็นปรามาสให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นเพราะทําความยินดีเพลิด เ, เพลินจากสุเป็นต้นนั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นปรามาสและสัมยุญจขันธ์จึงเกิดขึ้นซาจาตาธิปติได้แก่ ป, ปฏิปฎิธรรมที่ไม่เป็นปรามาสเป็นปัจจัยแก่สัมยุญจขันธ์ ปรามาสและจิตตสมุฐานรูปโดยที่ปฏิปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นปรามาสและที่ไม่เป็นปรามาสเป็นปัจจัยแค่สภาวธรรมที่เป็นปรามาสโดยที่ปฏิปัจจัยมีอย่างเดียวคืออรารมณนาธิปติได้แก่เพราะทำปรามาสและสัมยุญตขันให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นปรามาสจึงเกิดขึ้นมีสามวาระอนันตรปัจจัย23สภาวธรรมที่เป็นปรามาส เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นปรามาต โ, okay โดยอนันตระปัจจัยได้แก่ปรามาตที่เกิดก่อนก่อนเป็นปัจจัยแก่ปรามาตที่เกิดหลังหลังโดยอนันตระปัจจัยพึงเพิ่มบทที่เป็นมูลปรามาตที่เกิดก่อนก่อนเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่ไม่เป็นปรามาตซึ่งเกิดหลังหลังโดยอนันตระปัจจัยปรามาตเป็นปัจจัยแก่วุท ธ, ธานะโดยอนันตระปัจจัยพึงเพิ่มบทที่เป็นมูล ปรามาที่เกิดก่อนๆเป็นปัจจัยแก่ปรามาและสัมปยจจุตขันที่เกิดหลังๆโดยอนันตรปัจจัย 24. สภาวธรรมที่ไม่เป็นปรามาเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นปรามาโดยอนันตรปัจจัยได้แก่ขันที่ไม่เป็นปรามาซึ่งเกิดก่อนๆเป็นปัจจัยแก่ขันที่ไม่เป็นปรามาซึ่งเกิดหลังๆโดยอนันตรปัจจัย อนุโลมเป็นปัจจัยแก่พระสมมาบัติโดยอนันตรปัจจัยเพิงเพิ่มบทที่เป็นมูลขันที่ไม่เป็นปรารมาซึ่งเกิดก่อนก่อนเป็นปัจจัยแก่ปรารมาที่เกิดหลังหลังโดยอนันตรปัจจัยอาวัชนาจิตเป็นปัจจัยแก่ปารมาโดยอนันตรปัจจัยเพิงเพิ่มบทที่เป็นมูลขันที่ไม่เป็นปรารมาซึ่งเกิดก่อนก่อนเป็นปัจจัยแก่ปรารมาและสัมปยุตตะขัน์ที่เกิดหลังหลัง โดยอนันตรปัจจัยอวชนะจิตเป็นปัจจัยแก่ปรารมาและสัมปยุตตขันโดยอนันตรปัจจัย 25. สภาวธรรมที่เป็นปรารมาและที่ไม่เป็นปรารมาเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นปรารมาโดยอนันตรปัจจัยได้แก่ปรารมาและสัมปยุตตขัน์ที่เกิดก่อนก่อนเป็นปัจจัยแก่ปรารมาที่เกิดหลังหลังโดยอนันตรปัจจัยเพิ่มเพิ่ม Deutsch. บทที่เป็นมูล ปรามาและสัมปยุตตะขัน์ที่เกิดก่อนเป็นปัจจัยแก่ขันที่ไม่เป็นปรามาซึ่งเกิดหลังๆโดยอนันตรปัจ hmm. จัยปรามาและสัมปยุตตะขัน์เป็นปัจจัยแก่วุฒิเนะโดยอนันตรปัจจัยพึงเพิ่มบทที่เป็นมูลปรามาและสัมปยุตตะขันที่เกิดก่อนเป็นปัจจัยแก่ปรามาและสัมปยุตตะขันที่เกิดหลังๆโดยอนันตรปัจจัยสมณันตรปัจจัยเป็นต้น 26สภาวธรรมที่เป็นปรามาตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นปรามาตโดยสมนันตรปัจจัยเป็นปัจจัยโดยสาชาติปัจจัยเป็นปัจจัยโดยอัญญมัญญปัจจัยเป็นปัจจัยโดยนิสยปัจจัยมีห้าวาระอุปนิสยปัจจัยยีสิบสภาวธรรมที่เป็นปรามาตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นปรามาตโดยอุปนิสยปัจจัยมีสามอย่าง คืออรมาโนปะนิสยาอานันตารูปานิสยาและปะกะตูปนิสยาปะกะตูปานิสยะได้แก่ปรารมาสเป็นปัจจัยแห่ปรารมาสโดยอุปาณิสยาปัจจัยมีสามวาระ 28. สภาวธรรมที่ไม่เป็นปรารมาสเป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่ไม่เป็นปรารมาสโดยอุปาณิสยาปัจจัยมีสมอย่างคืออารมาโนปะนิสยาอนันตารูปานิสยาและปะกะตูปะนิสยา ปกาตปานิสยะได้แก่บุคคลอาศัยศรัทธาแล้วให้ทานทำสมาบัติให้เกิดขึ้นมีมานะอาศัยศีลปัญญาราคะโทสะโมหะมานะความปรารถนาสุขทางกายเสนาสนะแล้วให้ทานทำสมาบัติให้เกิดขึ้นฆ้าสัตว์ทำลายสงศรัทธาเสนาสนะเป็นปัจจัยแก่ศรัทธาปัญญาราคะความปรารถนา สุกทางกายมรรคและพระาสมาบัติโดยอุปาณิสยาปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นปรามาเป็นปัจจัยแข่สภาวธรรมที่เป็นปรามาโดยอุปาณิสยาปัจจัยมีสามอย่างคืออรัมมณูปาณิสยาอันันตารูปนิสยะและปะกะตูปาณิสยาปะกะตูปนิสยะได้แก่บุคคลอาศัยศรัทธาแล้วถือทิฏฐิอาศัยศีลปัญญาราคะความปรารถนา สุขทางกายเสนาสะนะแล้วถือทิฏฐิสัทธาเสนาสนะเป็นปัจจัยแห่ปรามาโดยอุปนเนสยปัจจัยสภาวะธรรมที่ไม่เป็นปรามาเป็นปัจจัยแห่สภาวะธรรมที่เป็นปรามาและที่ไม่เป็นปรามาโดยอุปาเนสยปัจจัยมีสามอย่างคืออระมณูปาเนสยาอนาตารูปาเนสยาและปะกะตูปาเนสยาปะกะตูปาเนสยาได้แก่ บุคคลอาศัยศรัทธ า, านะแล้วถือทิฏฐิมาอาศัยศีลอสศันาสนะแล้วถือทิฏฐิศรัทธาอาศนาสนะเป็นปัจจัยแห่ปรามาและสัมปยุตตขันโดยอุปาเนสยปัจจัย29สสภาวธรรมที่เป็นปรามาและที่ไม่เป็นปรามาเป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่เป็นปรามาโดยอุปาเนสียปัจจัยได้แก่ปรามาและสัมปยุตตขัน เป็นปัจจัยแข่ปรามาโดยอุปนินสยปัจจัยมีสามวาระปุเรชาตะปัจจัยสาสิสภาวธรรมที่ไม่เป็นปรามาเป็นปัจจัยแข่สภาวธรรมที่ไม่เป็นปรามาโดยปุเรชาตะปัจจัยมีสองอย่างคืออารมณปุเรชาตะและวัตถุปุเรชาตอารมณปุเรชาตะได้แก่บุคคลเห็นแจ้งจากสุหาไทยวัตถุโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงและถึง ยินดีเพลิอเพลินเพราะป ร, ะรารุความยินดีเพลิดเพลินจากสุเป็นต้นนั้นราคะวิจิกิจฉาอุทจฉาโทมนัสจึงเกิดขึ้นบุคคลเห็นรูปด้วยที่ประจักขูฟังเสียงด้วยที่ประโสตทาตุรูปายตนะเป็นปัจจัยแก่จักขูวิญญาณโพธพายตนะเป็นปัจจัยแก่กายวิญญาณวัตถุปุเรชาตาได้แก่จักรายตนะเป็นปัจจัยแก่จักขูวิญญาณ กายยัจณะเป็นปัจจัยแก่กายวิญญาณหาไทย Jamie, anak, วัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่ไม่เป็นปรามาตยโดยปุเรชาติปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นปรามาตยเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นปรามาตยโดยปุเรชาติปัจจัยมีสองอย่างคืออารมณะปุเรชาตะและวัตถุปุเรชาตะอารมณปุเรชาตะได้แก่บุคคลยินดีเพลิดเพลินจากสุหาไทยวัตถุ เพราะปรารบความยินด er ีเพลิดเพลินจากสุเป็นต้นนั้นทิฏฐิจึงเกิดขึ้นวัตถุปุเรชาตะได้แก่ภาษไทยวัตถุเป็นปัจจัยแห่งปรามาโดยปุเรชาตะปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นปรามาเป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่เป็นปรามาตและที่ไม่เป็นปรามาโดยปุเรชาตะปัจจัยมีสองอย่างคืออารมณะปุเรชาตะและวัตถุปุเรชาตะอารมณะปุเรชาตะได้แก่ บุคคลยินดีเพล่อเพลินจากสุขหาไทยวัตถุเพราะปรารบความยินดีเ พ, เพล่อเพลินจากสุเป็นต้นนั้นปรามาและสัมปยุตตะขันจึงเกิดขึ้นวัตถุปูเรชาตะได้แก่หาไทยวัตถุเป็นปัจจัยแก่ปรามาและสัมปยุตตขันโดยปูเรชาตะปัจจัยปัจฉาชาตะปัจจัยและอาเสวนาปัจจัยสาสอสภาวะธรรมที่เป็นปรามา เป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่ไม่เป็นปรามาตยโดยปัจฉาช า, ต ะ, า, ะชาตะปัจจัยมีสามวาระพึงเพิ่มปัจฉาชาตะปัจจัยเป็นปัจจัยโดยอาเสวณปัจจัยมีห้าวาระกรรมปัจจัยสามสิบสองสภาวธรรมที่ไม่เป็นปรามาตยเป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่ไม่เป็นปรามาตยโดยกรมปัจจัยมีสองอย่างคือชาชาตะและนาน า, นาคณิกะ สหชาตาิได้แก่เจตนาที่ไม่เป็นปรามาสเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขนันและจิตสตสมุทารูปโดยธรรมปัจจัยในปฏิสนธิขณะนานานคณิกะได้แก่เจตนาที่ไม่เป็นปรามาสเป็น ป, ะจะปัจจัยแก่ขันที่เป็นวิบากและกระตัลตารูปโดยธรรมปัจจัยพึงเพิ่มบทที่เป็นมูลเจตนาที่ไม่เป็นปรามาสเป็นปัจจัยแก่ปรามาสโดยธัรมปัจจัย เพิ่เพิ่มบทที่เป็นมูลเจตนาที่ไม่เป็นปรามาตเป็นปัจจัยแก่ปรามาตสำยุตขันและจิตตสมุทฐานรูปโดยครามะปัจจัยวิปากะปัจจัยเป็นต้นส3สาสภาวธรรมที่ไม่เป็นปรามาตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นปรามาตโดยวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระเป็นปัจจัยโดยอาหาระปัจจัยมีสามวาระ เป็นปัจจัยโดยอินทรีย์ปัจจัยมีสามวาระเป็นปัจจัยโดยชานะปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่เป็นปรามาตเป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่ไม่เป็นปรามาตโดยมรรคปัจจัยได้แก่องค์มรรคที่เป็นปรามาตโดยในนี้พึงเพิ่มเป็นห้าวาระเป็นปัจจัยโดยสัมปยุตตปัจจัยมีห้าวาระวิปยุตตะปัจจัยสามสภาวธรรมที่เป็นปรามาต เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นปรามาตยโดยวิปยุตตะปัจจัยมีสองอย่างคือสหชาตะและปัจฉาชาตะย่อสภาวธรรมที่ไม่เป็นปรามาตยเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นปรามาตยโดยวิปยุตตปัจจัยมีสามอย่างคือสหชาตะปุเรชาตะและปัจฉาชาตะย่อสภาวธรรมที่ไม่เป็นปรามาตยเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นปรามาตย โดยวิปยุตตปัจจัยมีอย่างเดียวคือบุเรชาตะได้แก่หาไทยวัตถุเป็นปัจจัยแก่ปรามาตยโดยวิปยุตตปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นปรามาตยเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นปรามาตยและที่ไม่เป็นปรามาตยโดยวิปยุตตปัจจัยมีอย่างเดียวคือบุเรชาตะได้แก่หาไทยวัตถุเป็นปัจจัยแก่ปรามาตยและสัมปยุตตะขัน์โดยวิปยุตตปัจจัย สภาวธรรมที่เป็นปรามาตยและที่ไม่เป็นปรามาตยเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นปรามาตยโดยวิปยุตตปัจจัยมีสองอย่างคือสหชาตะและปัจฉาชาตะย่ออธิปัจจัยสาสิห้าสภาวธรรมที่เป็นปรามาตยเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นปรามาตยโดยอธิปัจจัยมีสองอย่างคือสหชาตะและปัจฉาชาตะาสหชาตะได้แก่ ปรามาสเป็นปัจจัยแค่์สัมยุญตักขันและจิตตสมุทฐานรูปโดยอธิปัจจัยปัจฉาชาตะได้แก่ปรามาสเป็นปัจจัยแก่์ลายนี้ที่เกิดก่อนโดยอธิปัจจัย36สภาวธรรมที่ไม่เป็นปรามาสเป็นปัจจัยแค่สภาวธรรมที่ไม่เป็นปรามาสโดยอธิปัจจัยมีห้าอย่างคือจัชาตะปุเรชาตะปัจฉาชาติมหาระและอินทรียะ ย่อสภาวะธรรมที่ไม่เป็นปรามาตเป็นปัจจัยแข่สภาวะธรรมที่เป็นปรามาโดยอธิปัจจัยมีสองอย่างคือสหชาตะและปุเรชาตสหชาตะได้แก่คันที่ไม่เป็นปรามาตเป็นปัจจัยแข่ปรามาตโดยอธิปัจจัยปุเรชาตได้แก่บุคคลยินดีเพลิดเพลินจากสุหาไทยวัตุเพราะปรารุ ค, ความยินดีเพลิดเพลินจากสุเป็นต้นนั้นทิฏฐิจึงเกิดขึ้น ภาไทยวัตถุเป็นปัจจัยแก่ปรามาดโดยอธิปัจจัยสภาวะธรรมที่ไม่เป็นปรามาดเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่เป็นปรามาดและที่ไม่เป็นปรามาดโดยอธิปัจจัยมีสองอย่างคือสหชาตะและปุเรชาตะสหชาตะได้แก่ขันธ์สามที่ไม่เป็นปรามาดเป็นปัจจัยแห่ขันธ์สามปรามาดและจิตตะสมุทารูปโดยอธิปัจจัยปุเรชาติได้แก่ บุคคลยินดีเพลิดเพลินจากสุขหาไทยวัตถุเพราะปรารุปความยินดีเพลิดเพลินจากสุเป็นต้นนั้นปรามาตและสัมปยุตตะขันจึงเกิดขึ้นภาไทยวัตถ <t> ุ <s 2> เป็นปัจจัยแห่ปรามาตและสัมปยุตตขันโดยอธิปัจจัยสาสิบเจ็ดสภาวะธรรมที่เป็นปรามาตและที่ไม่เป็นปรามาตเป็นปัจจัยแห่สภาวะธรรมที่ไม่เป็นปรามาตโดยอธิปัจจัยมีห้าอย่างคือสหชาตะโบเรชาตะ ปัจฉาชาตะมหาระและอินทรียะสะหชาตะได้แกข่ขันหนึ่งที่ไม่เป็นปรามาตและปรามาตเป็นปัจจัยแก่ขันสามและจิตตสมุทฐานรูปโดยอธิปัจใจและถึงขันสองปามาตและสัมปยุตขันเป็นปัจจัยแก่จิตตะสมุทฐานรูปโดยอธิปัจใจปารมาตและมหาภูตรูปเป็นปัจจัยแก่จิตตะสมุทฐานรูปโดยอธิปัจัย ปรามาและหาไทยวัตถุเป็นปันจจัยแก่ขันที่ไม่เป็นปรามาโดยอธิปัจจัยปัจฉาชาตะได้แก่ปรามาและสัมปยุตตขันเป็นปันจจัยแก่กายนิเทีศเกิดก่อนโดยอธิปัจจัยปัจฉาชาตะได้แก่ปรามาสัมปยุตตะขัน์และโกลิยังกราหารเป็น <avía> ปันจจัยแก่กายนี้โดยอธิปัจจัยปัจฉาชาตะได้แก่ปรามาสัมปยุตตขันและรูปชีวิตินทร์สี เป็นปัจจัยแขกตัตารูปโดยอธิปัจจัยหนึ่งปัจจญานุโลมสองสังขยาวาระสุทไนสามสิบปดเหตุปัจจัยมีสามวาระอารมณะปัจจัยมีเก้าวาระอธิปฏิปัจจัยมีเก้าวาระอนันตระปัจจัยมี9ก้าวาระสมนันตระปัจจัยมีเก้าวาระชาชาตะปัจจัยมีห้าวาระ อัญญมัญญปัจใจมีห้าวาระนิสียปัจจใจมีห้าวาระอุปาณิสียปัจจัยมีเก้าวาระปุเรชาตปัจจัยมีสมวาระปัจฉาชาตปัจจัยมีสมวาระอาเสวะนปัจใจมีเก้าวาระกรรมปัจจัยมีสามวาระวิปากปัจจใจมีหนึ่งวาระมหาราปัจจัยมีสมวาระอินทรียปัจจัยมีสามวาระ ชานะปัจจัยมีสามวาระมัคราปัจจัยมีห้าวาระสัำยุตตปัจจใจมีห้าวาระวิปยุตตปัจจัยมีห้าวาระอัติปัจจใจมีห้าวาระนัติปัจใจมีเก้าวาระวิคตะปัจใจมีเก้าวาระมาวิคตะปัจจใจมีห้าวาระอนุโลมจบสองปัจจนียุทธาระสามสิบเก้า สภาวธรรมที่เป็นปรามาตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นปรามาตโดยอารมณปัจจัยและอุปาเนสยาปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นปรามาตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นปรามาตโดยอารมณปัจจัยสหชาตปัจจัยอุปาเนสยาปัจจัยและปัจฉาชาตปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นปรามาตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นปรามาตและที่ไม่เป็นปรามาต โดยอรมณปัจจัยและอุปาณิสียปัจจัยสีสสภาวธรรมที่ไม่เป็นปรามาตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นปรามาตโดยอรมณปัจจัยสหชาตปัจจัยอุปาณิสีหปัจจัยปุเรชาตปัจจัยปัจฉาชาตปัจจัยกรรมปัจจัยอาหาราปัจจัยและอินทรียปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นปร Mo tamam ามาตเป็นปัจจ <sti> ัยแก่สภาวธรรมที่เป็นปรามาต โดยอรรถมณปัจจัยสหชาตตปัจจัยอุปาณิสยปัจจัยและปุเรชาตตปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นปรามาตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นปรามาตและที่ไม่เป็นปรามาตโดยอรรถมณปัจจัยสหชาตตปัจจัยอุปาณิสยปัจจัยและปุเรชาตตปัจจัยสีสอสภาวธรรมที่เป็นปรามาตและที่ไม่เป็นปรามาตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นปรามาต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 สปัจญยปัจญิยะ 2. สังคยาวาระ52นเหตุปัจจัยมีเก้าวาระนอารรมณะปัจจัยมีเก้าวาระทุกปัจจัยมีปัจจัยละเก้าวาระโนวิคตะปัจจัยมีเก้าวาระ 3. ปัจจญานุโลมปัจญิยะ43่สานอธรรมณปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีสามวาระ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 นวิคตะปัจจัยมีสามวาระ 4. ปัจจะยปัจญจิยานุโลมส4อารมณะปัจจัยกับนาเหตุถูกปัจจัยเก้าวาระอธิปติปัจจัยเก้าวาระพึงเพิ่มบทอนุโลมมาติกาละถึงอวิคตะปัจจัยมีห้าวาระประมาสาธุกะจบห้าิบอ็ดปรามัถทุกะหนึ่งถึงเจ็ด ปัญหาวาระหนึ่งปัจจญานุโลมหนึ่งวิปังขวาระเหตุปัจจัยสีสห้าสภาวะธรรมที่เป็นอารมณ์ของปรามากอาศัยสภาวะธรรมที่เป็นอารมณ์ของปรามากเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันสามและจิตตสมุทานรูปอาศัยขันหนึ่งที่เป็นอารมณ์ของปรามากเกิดขึ้นละถึงอาศัยขันสองในปฏิสนธิขณะ เพิ่มเพิ่มข้อความจนถึงมหาภูตรูปภายในอาศัยสภาวะธรรมที่เป็นอารมณ์ของปรามาตเพิ่มเพิ่มปรามัฏฐทุกะเหมือนโลกิยะทุกะในจุลันตระทุกะไม่มีข้อแตกต่างกันปรามัฏฐทุกกะจบ สปรมาสสะสัมปยุตตะทุกะหนึ่งปฏิจัวาระหนึ่งปจญานุโลมหนึ่งวิพังฆวาระเหตุปัจจัยสี่สิหสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยปรมากอาศัยสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยปรมากเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันสามอาศัยขันหนึ่งที่สัมปยุตด้วยปรมากเกิดขึ้นและถึงอาศัยขันสอง สภาวธรรมที่วิปยุจจากปรามาสอาศัยสภาวธรรมที่สัมปยุจด้วยปรามาสเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่จิตตสมุทฐานรูปอาศัยขันธ์ที่จำปยุจด้วยปรามาสเกิดขึ้นสภาวธรรมที่สัมปยุจด้วยปรามาสและที่วิปยุจจากปรามาสอาศัยสภาวธรรมที่สัมปยุจด้วยปรามาสเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์สามและจิตตสมุทฐานรูปอาศัยขันธ์หนึ่งที่สัมปยุจด้วยปรามาสเกิดขึ้น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 อาศัยมหาภูตรูปหนึ่งสภาวธรรมที่วิปิวจักปรามาตอาศัยสภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยปรามาตและที่วิปิวจักปรามาตเกิดขึ้นเพราะเหตุตุ ป, ปัจจัยได้แก่จิตตสมุทารูปอาศัยขันธ์ที่สัมปยุทธ์ด้วยปรามาตและอาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้นยอ่อหนึ่งปัจจญานุโลมสองสังคยาวาระสุทไนยัย48 เหตุปัจจัยมีห้าวาระพรมณะปัจจัยมีสองวาระอาทิปติปัจจัยมีห้าวาระอันันตรปัจจัยมีสองวาระสมนันตระปัจจัยมีสองวาระสหชาตปัจจัยมีห้าวาระอัญญมัญญะปัจจัยมีสองวาระนิสยปัจจัยมีห้าวาระอุปานิสยปัจจัยมีสองวาระปุรชาตปัจจัยมีสองวาระอสวะณปัจจัยมีสองวาระ กรรมปัจจัยมีห้าวาระวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระอาหาระปัจจัยมีห้าวาระและถึงมรคะปัจจัยมีห้าวาระสัมำยุตตปัจจัยมีสองวาระวิปยุตตปัจจัยมีห้าวาระอธิปัจจัยมีห้าวาระณติปัจจัยมีสองวาระวิคตะปัจจัยมีสองวาระอวิคตะปัจจัยมีห้าวาระอนุโลมจบ สปัจจยะปัจจนียะหวิพังขวาระนัเหตุตุปัจจัย49สภาวธรรมที่วิปยุจจากปรามาตอาศัสายสภาวธรรมที่วิปยุจจากปรามาตเกิดขึ้นเพราะนั่เหตุตุปปัจจัยได้แย่ขันสามและจิตตะสมุทานรูปอาศัยขันหนึ่งที่ไม่มีเหตุซึ่งวิปยุจจากปรามาตเกิดขึ้นละถึงอาศัยขันสองในปฏิสนทิขณะที่เป็นนัเหตุกปะ พึงเพิ่มข้อความจนถึงอสัญญาสัตตพรมโมหะที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉาและที่สหรูปด้วยอุทจจะอาศัยขันธ์ที่สหรูปด้วยวิจิกิจฉาและที่สหรูปด้วยอุทจจะเกิดขึ้นนะอารมณปัจจัยห้าสสภาวะธรรมที่วิปิวิจักปรามาอาศัยสภาวะธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยปรามาเกิดขึ้นเพราะนะอารมณปัจจัยได้แก่จิตตสมุทารูป อาศัยขันที่สัมปยุทธ์ด้วยปรามาสเกิดขึ้นย่อสภาวธรรมที่วิปยุทธจากปรามาสอาศัยสภาวธรรมที่วิปยุทธจากปรามาสเกิดขึ้นเพราะนอารมณปัจจัยได้แก่จิตตสมุทฐานรูปอาศัยขันที่วิปยุทธจากปรามาสเกิดขึ้นพึงเพิ่มข้อความจนถึงอาศัยนิสัตตพรมสภาวธรรมที่วิปยุทธจากปรามาสอาศัยสภาวธรรมที่สัมปยุทธด้วยปรามาส และที่วิปยุจจากปรามากเกิดขึ้นเพราะนารมณปัจจัยได้แก่จิตตสมุทานรูปอาศัยขันที่สัมปยุจ ด, ด้วยปรามากและอาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้นยอ่อสองปัจจะยปัจญเนยะสองสังคยาวาระสุทไนห้าสิบเอ็ดนเหตปปจจปจจปุปัจจัยมีหนึ่งวาระนารมณปัจจัยมีสามวาระนัทิปฏิปัจจัยมีห้าวาระ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 ณอินทริยปัจจัยมี1วาระณฌานะปัจจัยมี1วาระนมัคคะปัจจัยมีหนึ่งวาระณสัมยุญตปัจจัยมีสวาระณวิปุญตปัจจัยมีสองวาระโนนัตติปัจจัยมีสวาระโนวิคตปัจจัยมีสวาระ 3. ปัจจญานุโลมปัจญียะ 52. าอาณอรมณปัจใจกเพเหตุปัจจัยมีสวาระ นาอธิปติปัจจัยมีห้าวาระพึงนับอย่างนี้สปัจจะยะปัจจญญานุโลมห้าสามอรมณะปัจจัยคำนเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระย่ออวิคตะปัจจัยมีหนึ่งวาระสหาชาตวาระเหมือนกับปฏิจจวาระ